สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดวงตาของโลกผู้บัติเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งมวลเป็นธรรมที่นำสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏทุกข์หมู่พระอริยสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมและวินัยถึงความพ้นทุกข์เราทั้งหลายก็น้อมเครื่องบูชาสการะทั้งมวลเหล่านี้บูชาแด่พระองค์เพราะว่าพระองค์ไดประกาศ ธ, ธรรมจัก ให้เป็นธรรมที่สว่างสวัยไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกในหมูสัตว์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์นั้นเราก็มีเครื่องสักการะถือว่าเป็นทุกขตา บ, บรรณาการมาบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสถานที่ที่พระ อ, องค์ดับขันทปริณิพานท่านเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่เราทั้งหลายน้อมมาบูชาสักการะแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่า พระองค์พ้นจากกองแห่งวัตทุกขทั้งมวลขอให้เราทั้งหลายจงผู้มีส่วนได้พ้นจากวัตทุกขทั้งมวลเหล่านั้นตามพระองค์ด้วยเดี๋ยวจะขอขมาพระพระตนตรยัยตอนที่พระองค์ดับขันทประริณิพานเนี่ยนะพระองค์ก็ได้ตรัสพระพุทธพจน์เป็นพุทธพจน์สุดท้ายว่าอามัญตยามิโวพิขเวขยะวยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนสัมปาเทธะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอสังขารทั้งหลายเนี่ยมี ก็ให้เราทั้งหลายพยายามเก็บสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นนิมิตที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันบูชาแด่พระตถาคตอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เสด็จไปดีแล้วให้เราทั้งหลายน้อมล้ำลึกนึกถึงคุณของพระองค์ที่เที่ยวสงเคราะห์อนุเคราะห์หมู่มวลเวนัยศัสตร์ทั้งหลายตลอด45พรรษาเดนะด้วยจิตใจที่พระมหากรุณา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เจิดดับขันตรีนิพพานนั้นพระองค์เข้าปฐมฌานก่อนเข้าปฐมฌานปฐมฌานทุกประเภทที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นปฐมฌานที่มาจากกสินปฐมฌานที่เกิดจากพรมิหารเป็นต้นพระองค์ก็เข้าออกจากปฐมฌานพระองค์ก็เข้าทุติยฌ า, านด้วยกรรมฐานทุกอย่างในบรรดาที่มีอยู่ ออกจากทุติยฌานพระองค์ก็เข้า ต, าตัตยฌานในบรรดากรรมฐานที่ ต, ตัตยฌานจะพึงเข้าได้ออกจากจัตติยฌานพระองค์ก็เข้าจตุตฌานเท่าที่กรรมฐานในการเจริญเพื่อให้เกิดจตุตฌานที่จะมีได้พระองค์อกอกจากจตุตฌานก็เข้าอากาสานัญายตนะออกจากอากาสานัญนะพระองค์ก็เข้าวิญญาณัญจายตนะ พระองออกจากวิญญาณัญจายตนะก็เข้าเนวสัญญาณาสัญญายตนะพรองออกจากเนวสัญญาณาสัญญายตนะพระองค์ก็เข้าอากินจันเข้าสัญญาเวดายตานิโรธดับสัญญาและเวทนาหลังจากออกนั้นก็ออกด้วยจตุทชาณสมาจตุทชานพละสมาบัติมีพระนิพานเป็นอารมณ์หลังจากนั้นพระองค์ก็เข้าอากินจัญญายตนะลดลงมาเหลือวิญญาณัญจายตนะ ลดลงมาเหลือเป็นจตุทชาญออกจากจตุทชานพระองค์ก็เข้าตัติยชาญออกจากตัติยชาญพระองค์ก็เข้าทุติยชาญออกจากทุติยชาญพระองค์ก็เข้าปฐมชาญออกจากปฐมชาญพระองค์ก็เข้าทุติยชาญใหม่ออกจากทุติยชาญก็เข้าตัติยชานออกจากตัติยชาญพระองค์ก็เข้าจตุทชานออกจากจตุทชาญพระองค์ก็ดับขันปรินิพานจุติจิตที่เป็นมหากิริยาก็ทํากิจ จุดติดจิ ต, จตก็บังเกิดขึ้นหมือนโลกธาตุก็ได้สะเทือนสถทานวันไหวได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าขนพองสยองกล้าวเหมือนกับขนของเราที่กำลังลุกในตอนนี้อย่างนั้น<อ>เหตุการณ์ที่น่าขนพองสยองกล้าวหมือนโลกธาตุก็ได้สะเทือนสถทานลั่นวันไหวหมูเทวดาทั้งหลายก็ผู้ที่ยังไม่ปราศจากราคะก็ถึงตา ค, คําครวญพระนนก็ร้องให้คําครวญอยู่ตรงนั้น พระนุรุษก็ติดตามดูว่าพระองค์นั้นเป็นยังไงพาะเราทั้งหลายก็หวนมาลำลึกนึกถึงคุณของพระองค์ผู้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ก่อนที่พระองค์จะดับขันตรายในพานพระองค์ก็ตรัสว่าทำใดวินัยใดที่เราแสดงไว้ดีแล้วบัญญัติไว้ดีแล้วทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาหแห่งเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราเพราะฉะนั้นพระพุทธสริระที่ประกอบด้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับโดยประการทั้งปวงโดยไม่มีส่วนเหลืออย่างตอนนี้ก็เหลือพระบรมสารีริกธาตุในส่วนที่เป็นเกสาธาตุเกสาธาตุก็อยู่ในหมื่นจักรวาลที่เทวดาทั้งหลายเอาไปด บูช า, าโลมาธาตุแล้วก็พระคันตธ า, าตุคือฟันแล้วก็พระสรีรธาตุคือพระอธิทั้งมวลก็ยังเหลือส่วนหนังเอ็นเยื่อในกระดูกพร้อมทั้งเครื่องในตับทางผืดเป็นต้นก็ถูกไฟเนี่ยได้เผาแต่ทำลายหมดแล้วแม้กระทั่งพระองค์ผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ พูดถึงพร้อมด้วยแพระคุณทั้งหลายเหล่านี้พระองค์ก็ดับขันตริยนิพพานเหลือแต่อย่างที่เราได้เห็นเพราะทัานที่ที่นี้ควรแล้วที่เรียกว่าสังเวชนียสถานเป็นสถานที่ที่ควรแก่การสังเวชควรที่ตั้งแห่งความสลดใจว่าแม้แต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ความตายก็ไม่ละเลยเพราะว่าสังขารทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดรอบสังขารทั้งหลายมีความแตกทําลายเป็นที่สุดรอบเพราะนั้เราทั้งหลายก็มาเรื่ม ลำลึกนึกถึงคุณความดีของพระองค์พระองค์ผู้เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายน้อมบูชาสักการะเท่าที่เราทั้งหลายจะพึงสักการะบูชาพระองค์เท่าที่บรรดาทําได้ก็ขออนุมโมทนากับเราทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งให้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจากดํารงคงที่อยู่อย่างนั้นเองเสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลาย ไม่มีสังขารทั้งหลายที่จะเชื่อฟังว่าสังขารที่ไม่เที่ยงขอให้จงเที่ยง น, นะสิ่งที่เที่ยงนี่ก็ไม่เที่ยงนี่ก็ขอให้เป็นสุขก็ไม่มีใครมีอำนาจได้เพราะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาดูการพิสูจน์ทั้งหลายก็ความไม่เที่ยงนี้พอเพียงแล้วที่จะเบื่อหน่ายเพื่อจะเบื่อหน่ายเพื่อจะคลายกำนัด เพื่อจะหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงนังพระองค์ชี้ให้เห็นว่าสังขารทุกชนิดในบรรดาที่มีอยู่ไม่มีสังขารสักทั้งมวลที่เที่ยงที่จรังยั่งยืนแต่สังขารเหล่านี้ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยอาศัยอยู่ด้วยปัจจัยคือชรา ม, มรณะเนี่ยดำรงอยู่ด้วยมีชาติเป็นปัจจัยชาติก็มีภพเป็นปัจจัยภพก็มีอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานก็มี ตัณหาเป icism, ็นปัจจัยตัณหาก็มีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนาก็มีผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะก็มีสลายยตนะเป็นปัจจัยสลายยตนะก็มีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณก็มีสังขารเป็นปัจจัยสังขารก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรม ถือว่าเป็นมูลแห่งวัตถุทุกทั้งมวลเพราะอาวิชชานี่แหละเป็นตัวดำรงอยู่ที่ทําให้สังขารคือกายกรรมวจิกรรมมนโนกรรมเกิดขึ้นเมื่อกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเป็นไตปฏิสนที่วิญญาณก็อย่างลงเมื่อวิญญาณอย่างลงนามรูปก็อย่างลงเมื่อนามรูปอย่างลงอายตนะก็บังเกิดขึ้นเมื่ออายตนะเกิดขึ้นก็มีผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา เวทนาก็เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงเมื่อยึดถือลุ่มหลงอย่างนี้เข้าก็ประกอบกรรมด้วยกายวาจาใจเพื่อพบชาติชรามรณะโศกะปริเทวทุกโทมนัสอุปายาตสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงแต่ก็เป็นไปตามอานาจของปัจจัย สำหรับผู้มีปัญญาทั้งหลายเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทำวิชาให้เกิดพระองค์นี้ละความสงสัยในอดีตโดยประการทั้งปวงพระองค์ละความสงสัยในอนาคตโดยประการทั้งปวงพระองค์ละความสงสัยในสังขารทุกชนิดโดยประการทั้งปวงพระันพระองค์นี้ละอวิชาสำรอกอวิชาโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยอานาจแห่งโสดาปฏิมักสกทธาคามิมักอานาคามิมักและอรหัตกรร ด้วยอํานาจอรหัตตมรรคของพระองค์เพิกถอนอวิชชาโดยประการทั้งมวลสังขารทั้งมวลกรรมที่พระองค์บาเพ็ญแล้วทั้งหมดกรรมนั้นก็กลายเป็นกิริยาเมื่อกำกลายเป็นกิริยาทั้งหมดปฏิสนที่วิญญาณก็ไม่อย่างลงฉนั้นพระองค์ทอดทิ้งปฏิสนที่ท่อทิ้งจุติจิตแล้วพระองค์ไม่ถือเอาจุติจิตอันใหม่พระองค์ทิ้งจักขครอันนี้แล้วก็ไม่ถือเอาจักขครอันใหม่พระองค์ทิ้งทระโสนี้แล้วก็ไม่ถือเอาโสตาอันใหม่ พระองค์ทิ้งคานะนี้แล้วก็ไม่ถือเอาคานะอันใหม่พระองค์ทิ้งชิวหาอันนี้แล้วก็ไม่ถือเอาชิวหาอันใหม่พระองค์ทิ้งทกกายเหล่านี้แล้วพระองค์ก็ไม่ถือเอากายอันใหม่พระองค์ทิ้งจุติปฏิสนที่จิตเหล่านี้แล้วก็ไม่ถือเอาปฏิสนที่จิตในภพใหม่พระองค์จึงเป็นผู้ทำที่สุดแห่งวัฏฏุกอย่างแท้จริง พรองทิ้งสับผาสังขารทั้งมวลแล้วก็จะไม่มีการยึดถือสัพผาสังขารอีกทั้งมวงอีกต่อไปเราทั้งหลายมาถึงที่นี้ก็มาฮวนล้ำลึกนึกถึงอรหันตคุณของพระองค์ที่พระองค์สามารถบำเพ็ญประโยชน์ของพระองค์ให้ทำที่สุดแห่งวัตทุกข์ได้ในขณะเดียวกันด้วยแรงแห่งกรุณาที่พระองค์สั่งสมอบรมมากว้างขวางดุจทะเลมหาสมุทรด้วยแรงแห่งกรุณาเหล่านั้นทำให้พระองค์ลุก ปลกุกลุกขึ้นช่วยเที่ยวปลุกให้สัตว์ทั้งหลายได้ตื่นขึ้นปลุกให้สัตว์ทั้งหลายตื่นด้วยพชชง7ประการปลุกให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นอริยสัจธรรมปลุกให้สัตว์ทั้งหลายดำรงมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะพรองนี้ปลุกให้สัตว์ทั้งหลายได้รับสมบัติ3ประการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ เราทั้งหลายก็ได้ถือว่าได้อาศัยใบบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอบรมศึกขาสามได้ถึงสารณคมได้มีศีลได้มีสุตตะได้มีจาคะได้มีปัญญาเราทั้งหลายหวนมาละลึกนึกถึงอุปการะคุณที่องค์สมเด็จ พ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สง่งเคราะ์อนุเคราะห์มวลสรรพสัพตว์ทั้งหลายผลประโยชน์เหล่านั้นก็ยังเผื่อแผ่มาถึงเราอันเราทั้งหลายก็มาหวนละลึกนึกถึงคุณของพระองค์ ทีนี้พระองค์นั้นด้วยแรงแห่งกรุณาพระองค์นี้ช่วยปลุกสัตว์ให้ตื่นด้วยการประกาศรอริยสัจธรรมพระองค์เที่ยวประกาศรอริยสัจธรรมตั้งแต่แสดงปฐมเทศนามาเรื่อยจนจบดับขันปรินิพานพระธรรมวินัยที่พระองค์แสดงไว้เนี่ยนะโดยอักษระไม่มีที่สิ้นสุดบทพยัญชนะไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อจะประกาศให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้จักอริยสัจธรรมพระองค์นี้เป็นผู้ที่ทําปริญญาเสร็จแล้วพระองค์ก็ช่วยสงเคราะห์หมู่เคราะห์ สงเคราะห์เราทั้งหลายให้ได้ทําปริญญาตามพระองค์นี้ได้ละบาปอากุศลละกิเลสสารพัดชนิดทุกประเภทได้แล้วพระองค์ก็สงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เราทั้งหลายให้ทํากิจละกิเลสตามพระองค์ทาพระนิพพานให้แจ้งแล้วทําที่สุดให้แจ้งแล้วทําที่สุดแห่งชรามรณะแล้วทําที่สุดแห่งชาติแล้วทําที่สุดแห่งภพแล้วทําที่สุดแห่งอุ ป, ปาทานแล้ว ทำที่สุดแห่งตันหาได้แล้วทำที่สุดแห่งเวทนาได้แล้วทำที่สุดแห่งทัสสะได้แล้วทำที่สุดแห่งสลายตระหนะได้แล้วทำที่สุดแห่งนามรูปได้แล้วทำที่สุดแห่งสังขารได้แล้วทำที่สุดแห่ง อวิชาให้ปรากฏแจ่มแจ้งแล้วด้วยการตรัสรู้ธรรมะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงคือพระนิพพานพระองค์ก็เอาพระนิพพานที่ทำที่สุดแห่งวัฏทุกมาแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยให้สัตว์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อทำที่สุดตามพระองค์อบรมอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาพระองค์ก็ชักนําทั้งเราทั้งหลายให้อบรมสิกขาตามพระองค์พระองค์ สั่งสอนหมู่มวลเวนัยศาสตร์ทั้งหลายให้พระโสดาบันบริบูรณ์ด้วยอธิศีลสิกขามีอธิจิตติกขาและอธิปัญญาศีขาพอประมาณพระสกะทาคามีก็เช่นกันพระองค์อบรมพร ะ, ะสั่งสอนพระอนาคามีทั้งหลายจนได้บริบูรณ์ด้วยศีลสิกขาจิตติกขามีปัญญาศกขาพอประมาณ พระองค์ทรงแนะนําพระอาหารหันต์ทั้งหลายให้บริบูรณ์ด้วยไตรสิกขาพันเราทั้งหลายได้นำมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นสารณะหัวลึกลึกนึกถึงคําสอนทั้งมวล ท, ที่พระองค์ได้สอนไว้ที่เป็นคําสอนที่ชี้ให้เห็นอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานพร้อมทั้งคำพร้อมทั้งมรรคผลนิพพานเหล่านั้นว่าเป็นสารณะเราทั้งหลายขอคารพสการะบูชานับถือหมู่พระอริยาสาวกทั้งหลาย ที่ท่านเหล่านั้นปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานตรัสรู้ตามพระองค์ในขณะเดียวกันหมู่พระระยะสอ์ทั้งหลายเหล่านั้นมีพระอนุนเป็นต้นเที่ยวทรงจําพระธรรมคําสอนทั้งมวล ท, ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในที่ต่างๆมาประชุมรวมหมู่ร้อยกรองพระธรรมวินยัยแล้วช่วยกันสืบทอดโอวาดอันทรงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ่ายทอดมาจนถึงทุกวัน ให้เราทั้งหลายได้เรียนได้ศึกษาเราทั้งหลายขอตั้งสัจจะวาจานี้ว่าจะขอศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามสติกําลังตามความสามารถเพื่อตรัสรู้ตามพระองค์ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะวาจาว่าจะศึกษาในไตรสิกขา ปฏิบัติตามพระพุทธโอวาสปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์คงพงคเพื่อรู้ทำตามที่พระองค์ประสงค์เพื่อจะเป็นพุทธบูชาในพระคุณทั้งมว ล, ท, ม ท, มลที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาดีแล้ ว, พพลวเพื่อสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เราทั้งหลายก็บางท่านหรือทุกท่านที่เคยล่วงเกินพระตนาตรายัยด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะเราก็มาถึงสถานที่ที่พระองค์ดับขันปรินิพานเราทั้งหลายก็ร่วมขอขมาโทษล่วงเกินทั้งมวลเหล่านั้นที่เราได้ล่วงเกินพระตนาตรายัยเพื่อการสังวรสำรวมระวังต่อไปเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเครื่องกลางกัน้น จะได้ไม่เป็นอาหารแห่งอุทธจักกุจจะเป็นอัตตาสัมมาปณิธีที่เราทั้งหลายจะได้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามมันด้วยกุศลที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญขอจงเป็นไปเพื่อ ก, กำจัดนิวนณ์ห้าโดยประการทั้งปวงขอให้มีจิตดำรงมั่นในสติปัฏฐานสี่เจริญอนุปัสนาเจตในกายจเจริญอนุปัสนาเจตในเวทนาจเจริญอนุปัสนาเจตในจิตทั้งหลายจเจริญอนุปัสนาเจในธรรม มีจิตดำรงมั่นในสติปัฏฐานสอย่างนี้แล้วก็อบรมสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้นมไปเพื่อการสละอบรมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้นมไปเพื่อการสละอบรมวิริยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อกา ร, ล ร, ร, ราสาารลรระ อ บ, บรมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละอ บ, บรมปัสสัตทิสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละอ บ, บรมสมาธิสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละอบรม อุเบขาสามพภชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลักคุณทั้งมวล น, นั้นก็คือการอบรมโพธิปัจิยธรรมมีสติประทานสี่สัมมาประธานสี่อิทิบาสีอินรีห้าพละหา้าพ่ชงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดรัตนะเหล่านี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้แกเราทั้งหลายด้วยการขอขมาพระองค์นั้น ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าได้มีนิวรณ์กลุ่มร ม, มมีจิตดำรงมั่นอยู่ในโพธิปัจจิยธรรมทั้ง37ประการตรัสรูอ้อมตะมหานิพพานตามเสด็จพระองค์ด้วยเทินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเตลียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วนพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าจงง้อซึ่งโทษล่วงเกินนั้นด้วยกายก็ดี ในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเที่ยงภาพที่ยเรียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอนันเพื่อความสังรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกําหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสง ขอพระสงฆ์จงลดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อความสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปสำหรับผู้ที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นบาปโดยความเป็นบาปเห็นโทษในบาปแล้วก็ตั้งใจเพื่อจะละตั้งใจที่จะไม่ล่วงละเมิดตั้งใจอยู่ในความสังวรทั้ง5ประการเพราะการสังวรสำรวมระวัง เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วสังวรสำรวมระวังเป็นความเจริญในอรารยวินัยในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉนั้นขอเราทั้งหลายก็ร่วมร่วประทักษินเพื่อเป็นพุทธบูชาอีกครั้งหนึ่ง